ความ ร, รมเป็นความลึกซึ้งมากทางทจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มรู้ทุกผ่านความรู้สึกทางด้านจิตตธรรมนาระเรนกว่าด้านอั้นเอ ง, เอง คือความซึ้งในการให้ทานคือผมที่เกิดขึ้นจากการให้นทานที่เราจับ ก, กับใจก็เป็นความซึ่งประเภทหนึ่งเกิดจากการรักษายีนกซึ่งประเภทหนึ่งที่เกิดจากการทำความดีทั้งหลายก็ซึ่งซึ่งไปแต่และประเภทมีเรียกว่าสุนทรธรรมแต่ ท, ที่ที่รวมที่ซึ่งทั้งหลายก็คือจิตตะพรวนนา เริ่มมีความรู้สึกทราบซึ้งไปตั้งแต่จิตมีเริ่มมีความสงบจิตใจเองกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแน่จะยังมีอะไรอยู่ภายในใจิตที่รวมเข้ามาก็ตา่างแต่ก็เริ่มแสดงความทราบซึ้งภายในตัวเองใหเห็นท่าถ้าจิต หรือทำเป็นจากด้านวัตถุแล้วคนทั้งโลกนี่คงไม่มีใครที่จะไม่นับถือศาสนาศาสนาธรรมเพราะเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันทางนั้นคำว่าดีคำว่าสุขคำว่ารืซึ้งคำว่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่โลกต้องการกันมาแต่การใหนไหนไม่เคยถือจาก และยังจะมีความต้องการกันตลอดไปจนกระทั่งโลกนี้หมดความหมายไร้ความรู้สึกดีชั่วแล้วนั่นแหละโลกถึงจะมุ่งปรารถนาคําว่าธรรมหรือคําว่าความสุขความลึกซึ้งความอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จะแสดงออก ให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งมันอื่นแม้จะเป็นนามธรําค่าคืนกับ ท, ทาําก็ตาเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทำแสดงตัวออกได้เช่นด้านมมตุโลกมนุษย์จะต้องนักถือ ศา ส, สนาเพื่อทําบรงนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่งใดๆบรรดาในโลกทั้งสามไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่ิตเกิดขึ้นที่ิตจิตเป็นผู้รับทราบ แต่รับทราบเฉพาะจิตเท่ทานั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวตัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมีเป็นเป็นสิ่งหนึ่งือเป็นเป็นความขัดข้องอันห่งอย่างธรรมที่นำออกทางวัตถุต่างๆไม่ได้ ยิ่งทให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความอัศจรรย์ก็ไม่ทราบว่าความอัศจรรย์นั้นคืออะไรหรือความลึกซึ้งความทราบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความทราบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับควา ม, ม, วามอัศจรรย์เพราะไม่ใช่ด้านวัตถุหอก็ไม่เคยได้รับความอันจรร์จากกระแสแห่งธรรม เพราะทาแสดงเป็นกระแสเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นอุปสรรคหนึ่งที่จะทำให้คนเกิดความทราบซึ่งในี่ยทำไม่ได้เกิดความเชื่อถือในี่ยทำไม่ได้ไม่ว่าพระพุธทธเจ้ า, าองค์ใดที่ได้มาตรสรู้ในโลกและสอนทำแก่โลก ทุกๆองค์แน่ใจว่าท่านต้องทรงคิดอ่ายเราสิ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้เบิกได้มองผม็นธรรมซึ่งเป็นของอริจันี้เพราะเอาออกตั้งวิขิโชในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจนละแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้น ซึ่งก็ไม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ดูดงมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสด้วยใจเมไม่มีทางนำออกได้จึงได้ทรงนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนชี้ทั้งทางเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดนัน้นๆหรือขั้นนั้นๆ น, นะ ประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประสบิจอาษจร์ตามขั้นตามภูมิหนทางซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทาง จ, จิตใจจนกระทั่งถึงความอาษจร์อันสูงสุดได้แจ่วิ ม, มุต ค, ความหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่านิพพานภายในใจทุกทุกพระองค์จำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอา นำความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสหรือด้วยอากาศพิเรยาต่างๆเช่นการแสดงและแสดงอากัศพิเราของธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องค์แห่งธรรมแท้แล้วนำออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธ เ, ทเจ้าแต่ละองค์นั้นหรือพระอรหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้งสงไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดังทิกอาอัศจรรย์ ดังกล่าวนี้ไม่มีองค์ใดมีความบกพร่องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระพองค์เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งทำเหมือนกันดลวงนี้คืออัศจรรย์อยู่ที่จิเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนําความอัศจรรย์ที่ปรากฏตรู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างอิทธภูมิแห่งความอัศจรรย์นี้เท่านั้น จึงได้หาอุบายวิธีนำออกทางกิริยาซึ่งก็เป็นอาการแห่งธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมมันแท้จริงยังศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้ตามคำพิธิโบราณเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมดกิริยาที่ท่านสอนก็เป็นอาการแห่งธรรมเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นธรรมแท้ก็คือผู้ปฏิบตัติหรือผู้ได้สนับสับฟังจากการสอนของท่านตามเรื่องราวต่างๆแห่งธรรมโดยวิธีปฏิบัติ แล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจทั้งตนโดยลําดับลําดับนั่นชือว่าอะไสัมผัสธรรมแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายอห่งความฉลาดแหลมคมในวิธีการสัสอนแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้แม้จะนั้นก็ได้ทรงนําออกมาเท่าที่เห็น่งควรจะเป็นไรได้แก่ ม, มนุษย์เท่านั้น อย่อื่นไม่สามารถที่จะนำออกได้เป็นความอาจารย์ในพรไทยจริงๆที่จะนำออกมาพี้คลาให้สารโลกได้เห็นวันนี้ความอาจารย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทําไม่ได้นี่ความอาจารย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ก่อที่เล็ดครอบงําอยู่เป็นเหมือนกับมูงสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติที่โดยสุดทุกบ่องหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธ อัศจรรน์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่าเลยท่านทำอย่างนี้ไม่ได้จึงได้สอนด้อุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องราวไว้บอกผลว่าเป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมพูดย่ายๆนำออกมาพูดนี่ก็เป็นลปามปากนั่นเองความจริง อ, ออกมาไม่ได้จึงอัศจรันตินี่นน ธรรมชาติอัศจรรย์นั้นออกมาไม่ได้เราจะนำออกมาแต่กีดีว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดได้หมายเอ่ว่าเป็นยังไงอัศจรรย์นั่นก็มหาสงขายแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทำให้รู้ทำเห็นทำที่เป็นกองอัจรรย์เหล่านี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแน่ เป็นความถูกต้องสต่พิสปิบัติดำเนินตามจะยากลำบากเพียงไรก็าตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปีกแวะเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุหมายเช่นเดียวกันกับผู้ดำเนินด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่มีเพราะการยากหรือ ก, การลำบากใดๆก็าตามเราอยากถือมาเป็นัูษ์ในการดำเนิน คือการปฏิบัติของเรายาก็ต้องฝืนทุกลำบากก็ต้องผุเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทำจะต้องแบบต้องขามในขณะที่ทำงานนั่นแหละคําว่าทําเป็นธรรวารจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตถ้าเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะที่ ยังท่ามีขันอยเรียกว่าจิตบริสุขหรือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเราพูดได้เพียงเท่านั้นเพราะพามจากขันไปแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะพาดพิงเทียบเทียงกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์ดยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเพียงไรก็าตามก็ไม่วิสไม่ใช่วิสัสยของเราที่จะได้พูดไปเรียกไปเทียงได้เพราะไม่มีสมมุติเป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เทียบเทียง เส้นเดียวกับเราอยู่บนอวกาศก็จริงๆนะทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบค่ะถ้าเรามีที่อยู่เช่นอย่างบนผืนแผ่นดินนี้ตะวันออกตะวันตกเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้เพราะมีสิ่งที่พอจะเทียบเคียงนี่พอพูดได้ว่าทิศใดทางใดเป็นทิศของอันไรทิศเหนือทิศใต้สูงต่างนั้นสูงต่างก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้ และสูงจากนี้ไปเท่าไรต่ําไปเท่าไหร่เหนือไปเท่าไรใต้แทา่าไรนันออกกันออกไปยังไงมันพอพูดได้ถ้าหากว่าอยู่บนอากาศจริงๆไม่มีอะไรพาดพื้นพอจะวัดเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยเหมือนยังเราบินที่มันบินไปบนอากาศหรือไม่ทราบมันช่ามันเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าผ่านก้อนมเมฆแล้วก็ทราบว่ามันเร็วสายตาของเรานี่ รืบินมันสู้รถนดนไม่ได้สายการ้าฟางพวกเราเนี่ยรถโวนมันวิ่งตามถนนนี่โอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังนั่นรถโวนมันวิ่งไปข้างหน้าแต่รถต้นไม้สองภาคทางมันล้มพึนข้างหลังล้มย้อนย้อนหลังไปเป็นลันนาวไปเลยความจริงต้นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันเป็นเพียงว่ารถโวนมันผ่านไปมันมันมีแต่สิ่งที่สัมผัสพลาดพาดพิงล้วก็เหมือนว่ารถมันเร็วกันช้า เรืบินไม่มีอะไรพลาดพินมองก็ไปเที่ยงเอืวอเรย์เมันก็ว่าเรบินมันช้ากว่ารถเดนินความจริงก็เรบินมันเร็วกว่ารถเดินอยู่แล้วในหลักธรรมชาติในเมื่อเทียบถึงจิตใจของบุตรชนกับจิตใจของพระเจ้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านมาดีอันไหนที่ท่านมาประเสริฐบุตรชนลำนักจะว่าไม่ประเสริฐไม่มี สิ่งที่จะของชอบมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้นนี่เป็ น, ปนไปเหมือนรถเนตนมันยิ่งเร็วกว่าก๊าดบินนั่นเองการปฏิบัติ จ, จิตใจเป็นสิ่งสงคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผัวพันในใจิตใจ มา ก, กเรื่องของใจนั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเองผิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ท้อยให้เรากลุ้งอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้าเกิดความเบือดร้อนมึนไม้เกิดความเสียใจก็เพราะความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินก็เพราะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นมีความจริงสิ่งนั้นๆั่นเขาก็เป็นอยตามธรรมาชาติของเขาเขาไมา่ได้มีความหมายในเขาว่าก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่ง น, นั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นมาตรัสรู้ที่เมือง ม, ะมะนุษย์นี่เมือง ม, ะมะนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมคือเห็นด้อย่างชัดๆทุกครั้งอยายะจัจังก็มีโศกกายมนุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะ มนุษย์ฉลาดสมุยทยญาติสัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มรรคทูปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสอันหาซะว่ามนุษย์ก็ทราบมรรคคืออะไรสิสมาที่ปัญญาสรุปลงแล้วนี้เรืความดับทุกข์มนุษย์ก็ทราบแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนทำในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งพพทั้งหลาย เราเกิดในถ้ำกลางแห่งพบท่งชาแห่งศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติตัวของเราให้ถูกตามปุดถุนการของศาสนาเพื่อจะรู้เรื่องของาศาสนาธรรมซึ่งมีอยู่ในท่าำกลางหัวใจเราธรรมอันปรสริฐก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดทั้งหมดที่เราจะเอื้อมถึง จิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมทั้งหลายจะอยู่สูงตำนะ่ำขนาดไหนก็ตามเรื่องของธรรมแล้วจะไม่เหนือจากจิตใจไปได้ซึ่งเป็นผู้จะรับทราบหรือชั่วสุขทุกตงากงๆจิตใจเป็นผู้รับทราบก่อนอื่นถึงควรฝึกสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับจิตวันหนึ่งวันหนึ่ง ถ้าหากว่าเราได้พิจร า, ารณาบ่อเกิดแห่งทุกข์คือสมุทยัยได้จากความคิดต่างๆจะขึ้นไม่มีเวลาอีดเวลาถอยเลยขึ้นถึงหัวใจนี่แหละตุงแต่งอยูที่นี่คิดดูเราพยายามจะทําให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุอะไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองอคื อ, อตลอดเวลา คิดออกไปแล้วก็โอยทุกข์เข้ามาแต่ตัวเองคิดออกไปมากน้อยอย่างไรโอยทุกข์เข้ามาตัวเองอยู่อย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุทยัยออออกไปเป็นสมุทยัยเข้ามาเป็นทุกข์คือตรงออกไปนั้นเป็นสมุทยัยเวลาผมย้อนกลับเข้ามาสู่ที่ใจก็คือทุกข์นะ่ะทั้งผิดอย่างนั้นตลอดเวลาเราจะทําให้มีความสงบเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นต้องฝึกกันเต็มที่ แม้เช่นนั้นมันต้องผลักดันออกคิดออกตรวมันได้ขณะที่เราเผลอนะนี่เรื่องของสมุทัทยที่จะที่ผลิกทุกอย่างโดยสม่ำเสมอมันอยู่ที่ายมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้การแก้ไขสมุทัทยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูอล่างับดับมันที่ตรงไห้ จะนั่งอยู Index, amount, birthday, stigma, hue, this, yi, ่ท TA, hmm? ี roit, immortal, right, ่ไหนเดินไหนอินญาเยบททั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่านทำหนึ่งแต่ข้ออย่างยิ่งคือนักบวชผู้ปฏิบัติเอาคระแนปาก็เพื่อจะระงับอันนี้คือฮารสถานที่อันเหมาะสมในการบังเพล่แต่ในบ้านก็ตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรก็ตามมีความจดจ่อสืบเนื่องกันโดยลําดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยอันเป็นเสื่อมหนาต่อจิตใจ มันมัระงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้นีเราจะเห็นได้ยชัดในขณะที่จิตสงบตัวลงไปความคิดปรุงไม่มีความมุ่นวายก็ไม่เกิดะความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขนาดที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมื่ความตรุงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วย ทกุก็สงกตัวไปด้วยหรือแต่ความเย็นสบายมีนนะสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเูียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเกียนต่อสู้กับสงครามที่มันเกอะควรอยู่เสมอภายในใจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยเรื่อยเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโพษแห่ความคิดปรุงทั้งหลาย ที่มันก่อควรอยู่เสมอเสมอ ม, มาและเห็นคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบ ม, มากน้อยก็เป็นความสุ ข, ขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกาลังแห่งความสงบนายตำราท่าน่านาร่์จิวสมาธิจิสมมตสงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตรมวมลงเป็นสมาธิ นี่ละสมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อของสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจทูจะทําให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ผึกผู้ทำเองเอื่อสมาธิมีความสงบแต่ก็มีความร่มเย็นเป็นตุกมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตเนี่ยหนามันคงในความบอกแบบความแพ่น เหมือนเราได้อยู่ในต้นไม้ชายคานั่นเองเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบอยู่ภายในตนก็เช่นนั้นไอ้ทาแบบ่านแหลกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ไม่ขาดว่าขาดต่อเพราะความสงบเป็นที่อาศัยของใจใทานเรียวกับสมาธิหกเป็นสิ เป็นเรือนใจอันนึง่งปัญญาคือความแยกภายความคิดความพินิจพิจารณาสอบสอบในเหตุใ น, นผลทั้ง ข, งขง้างนอกข้างในเบื้องบนเบื้องล่างสถานกางภายในร่างกายของเราตลอดถึงกระแสของจิตที่คิดออกในแง่ใดกติปัญญาตามพินิจพิจารณาให้รู้เหุรู้ผ ล, ผลตามความคิดของตัวของใจหรืตามสาภาพของสังขารที่มีอยู่ตัวของเรา หเห็นตามเป็นจริงจะไปปีนเปรียวกับความจริงการพิจารณาทำทั้งหลายพิจารณาตามความจริงไม่ใช่จะฝืนความจริงเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแก่ก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแก่มันเป็นลําดับเป็นระอายุกี่ปีก็แก่กมาแล้วทั้งปดนะทั้งทั่งถึงอาวาสานใงชีวิตมันแก่เปนที่แล้วมันก็สลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่กขนาดแรกที่เกิด แจ่วันแจกเดือนแจกปีมาแล้วก็แจกมาหลายๆปีแจกมาเรื่อยๆรางว่าคนเจริญเติบโตมันแจกจะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่องมันนี่นี่คือทางหลวงคติธรรมดาหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอยากฝืนเขามันแจ่แล้วก็ไม่อยากจะแจกจากหนุ่มอยู่เสมอจากเช้ายู่เสมอนกัชื่อว่าฝืนความปริมันเป็นทุกข์ฝืนมันก็ไม่ได้เรื่อง แต่ฝืนมันเป็นทุกข์หาประโยชน์อะไรนอกจากจะหาทุกข์เท่านั้นการสูญความจริงมันเป็นทุกข์นี่ยปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เอาอะไรทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนไหน้มีหยุดปัญญาพอจะแก้ไขกันก็แก้ไขกันไปตามเรื่องมันถูกมันก็ถูกมันไม่ถูกเรื่องของมันจะไปถึงตายมันมันก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปบังคับมันแม่มันตาย พอบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันพิจารณาตามความจริงของ ม, มันอย่างนี้เราก็สบายเอามันไปไหนก็ให้รู้ตามความจริงมันไปมันเจ็บมากเก็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกก็คือความตายในธาตุในฐาน น, านี้ที่สุดจะมีเท่งนั้ น, นให้ทราบ ต, ตามความจริงขมันโดยไม่ต้องไปฝืนและต้องไปตั้งความอยากขึ้นเพราะตั้งความอยากก็คือความบกพร่องคือความหมีหายนั่นเองความมีหายไี่ว่าจะเกิด ขึ้นเวลาไหนเวลาใดด้วย อ, อาการใดเช่นหิวนอนมันก็เป็นทุกหิวข้าวก็เป็นทุกนี่ที่ดูหิวน้ำก็เป็นทุกมันเป็นคองมดีเมื่ อ, อไรความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันร่วงแต่เรื่องกอบปวนเรื่องให้ตัวทุกข์ทั้งนั้นท่านจิงให้ฟืน้นปัญญาห้พิจาณาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วนี่เรียกว่าปัญญาไม่ปีนเตือ ก, กันกับความิมีนม่ก็สบาย เราเรียนในตัวของเราหี่เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บด้วยเรื่องความตายด้วยเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันในก้อนธาตุอันเดียวกันนี้ไม่พลาจากกันแหะเรื่องความเกิดก็ธาตุอันนี้เกิดมาเจริญดูแก่ขึ้นมามันก็แก่ที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่นี่ส่วนได้ส่วนหนึ่งจนได้มันเจ็บูที่นี่มันตายมันก็จะตายที่นี่เรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนธรรมต้องเรียนรู้ที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนก่อนอึ เรียนรอบเรียนตกเรื่องความความเกิดของตัวเองความแก่ของตัวเองความเจ็บความทุกข์ความทรมานทุ้งหดของตัวเองเรียนตกความตางตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรียกว่าฉลาดทานกับเหตุการณ์ที่มีรอบตัวทานกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนร e ู้อัดรู้ทำให้ทานกับเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี้แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหว เ น, นี่ยทำไปหนึ่งจึงเรียกว่ารู้จึงเรียกว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้เป็นฉลาดเพียงจําได้เฉยเฉยฉลาดด้วยแกความสงสัยแกความขัดข้องตรงด้วยแกความยึดมั่นถือมั่นสําคัญปิดทองตรงด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติรมล้วนๆด้วยกันนั่นก็สบายขันให้เป็นขันล้วนๆของเขาไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแยง่งชินอํานาจไปกดขี่บังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้อย่าไปบังคับเขาเขาเป็นอญ่ในตนัวของเขาคิดก็ใหพิจารณาตัวเอง เจนกระทั่งทราบตัวเองถ้าจะบังคับไปบังคับจิเที่มีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงจกนกระทั่งมันลงในหลักธรรมาชาติมัต้องบังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ธาตุเป็นธาตุขันเป็นขันอะไรแต่ก็แตกทราบด้วยปัญญาอย่างชาัดเจนแล้วไม่สงสัยตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบตรงหน้าไว้แล้วตายแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความจริงึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนั่นอย่างทีว่วายรียนทำเรียนอย่างนั้นรู้อย อาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้น็นผ่านถูกขันถูกอวัยวะชัตนาผิวผ่านขันท่าขันสิ่เงินมันเป็นอาการอหนึ่ ง, งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่งสติก็เป็นอาการอันหนึ่งเป็นเรื่องของใจแต่เป็นทำเครื่องแก้แก้สิ่งที่มวัวหมองถ้าล้างสิ่งที่มัวหมองออกไป จนทั่งเกิดความโปร่งสขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของปัญญาเป็นภูชร า, างชงสซตเลยโปร่งสไปแล้วก็ บ, บริสุทธิ์หนักเห็นลายจริงบริสุทธิ์ขอพอมลทิมหมดประจากษ์ใจความต้องกาต่างๆที่เป็นเรื่องอกิเลสมันหมดประจากใจใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั่นเองชื่อว่าเรียนเรื่องของตัวจบอุทิตตังประมาจา ย, ยางกระตังกรณีอย่างนี่รงกับทรรบทนี้ จะจิตศาสนาพมันจะไม่มีจบแล้วไอ้ที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปไม่มีสิตที่ควรทาำจะทําตัวเองแล้วและการรู้ที่นี่เพราะความหลงมันอยู่ที่ใจนี่เราเรียนแล้วเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองการรู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ยถึอว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปอีก มันไม่มีหลงแล้นีม่มีแต่รู้รู้รอบขอบคิดลแล้วนี่แหละคิดดวงนี่แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมอัศจรยหมายถึงจิตถึงธรรมอย่างนี้นแต่ต้นสิ่ง ท, ที่ทราบอยู่โดยลําทังตัวเองเท่านั้นอูโดยเฉพาะตัวเองอัศจรย์ก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเอง ปลาเซยก็สราบอยู่ภายในจิตตัวแต่ไม่สามารถที่จะนำออกคลี่คลายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้นั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้ตัวพิปฏิบัติกําจัดสิ่งที่สกปรกโสมมงทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเสริฐนัก่ิการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรมธรมชาติโดยธรรมชาติมัตัวเอง คือเ ก, กอันนี้เรียกวาธรรมจบเรียนโลกจะจบตรงนี้โลกก็คือโลกแห่งขันนั่นเองโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนธรรมก็คือทํามขั้นไหนก็ว่าอะไรจนมระทั่งถึงนี้มุติธรรมจบด้วยกันทั้งนั้นเรียนโลกก็จบเรียนธรรมก็รอบก็จบหายสงสัย ไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยตออีกดูนะก็อยู่ไปเธอถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็ระงับดับหมดสงครามระหว่างศิษย์กับพี่เล่เรื่องระหว่างทำกับพี่เล่ห์มันก็สิ้นสุดกันหมดนะหรือพบหรู้ถ่าหรือกันที่นี่เรือกองทุกในวัตาสงสารคือกลายเป็นเป็นนักของเถี่ยวในวัตาสงสารก็รู้กันที่นี่รู้กันที่ น, น, นี่รู้แล้วก็หมดปัญหากันที่นี่ โลกกว้างแสนกว้างไม่มีอะไรตุนปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านั้นเองใยที่สงตัวเองครับหลงสิ่งทั้งหลายเมื่อแกตัวเองเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งายลงโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันเท่านั้นจากนั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนี้ผ่านอเรียนทําจบเรียนหนังเรียนโลกเรียนธาตุเนี่ยคันจบก็จบตรงที่นี้พยายามทํา ให้เห็นความอวรชั์ดังที่กล่าวแล้วในดวงตบพระพุทธเจา้าพระดีพร ะ, พระสงฆ์สาวกอรีท่านมีธรรมอวิชัญอยู่ภายในพระไทยไางใจเราก็เป็นลูกศิษย์สถาปนิยมอันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความอวจชรย์ออกได้ด้วยการปฏิบัติชำระภาษาให้บริสุทธิเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้าสาวกทั้งหลายจป็นกนศให้พยายามทําให้มันปอกอดภยให้สงบ ความปรพยชน์ก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองความหาประยชน์ก็คือความสงบสงบและประสบทธถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นฟูนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นไปหมดเย็นที่ใจนี่แหละทําให้ใจยเย็นร้อนก็คือใจร้อนไฟเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจนี่ละยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เดช น, นาสะวะที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้ทำมันเหลือแต่ธรรมชาติ ทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไ ม, มร่มีสถานที่เวลาเวลเอาอวิฏิลงเพียงแค่นี้เท่านั้น